โ, โตๆมากับตํานานแล้วก็หากจําเป็นจะต้องหยิบตํานานหนทางของวิญญาณสักเรื่องนึงมาเอ่ยถึงเชื่อว่าเรื่องแม่นาคพระขรนงนะคะก็คงจะลอยลําติดอันดับต้นๆที่คนจะนึกถึงแล้วก็หยิบยกมาเล่าอย่างไม่ต้องสงสยัยแม้จะเป็นเรื่องเล่าเก่าเก็บแต่ก็ไม่ถึงขั้นล้าสมัยค่ะ แม่นาคพระโขนงนั้นนะคะเป็นเรื่องของดวงวิญญาณหญิงสาวที่คลอดลูกแล้วก็ตายหรือที่เรียกกันว่าตายทั้งกลมค่ะแต่ด้วยความที่เธอเป็นคนที่มีความรักต่อสามีมากๆวิญญาณของเธอกับลูกจึงไม่ไปสู่สุคติก็ยังคงกลับมาวนเวียนแล้วก็ดูแลอยู่กินกับผัวเช่นปกติเหมือนไม่เคยมีอะไรเกิดขึ้นโดยที่ สามีของเธอเองก็ไม่รู้นะคะถึงความผิดปกติใดๆเลยเช่นกันที่เป็นอย่างนั้นนะคะก็เพราะว่าเมื่อตอนที่แม่น้าตายเนี่ยมากนะคะ ผู้เป็นสามีก็ต้องออกจากบ้านไปเป็นทหารซะตั้งนานแต่ตั้งแต่เมียยังท้องอ่อนๆก็เลยไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเมียของตนบ้างพอกลับมาก็เห็นว่าเมียได้คลอดลูกน้อยแล้วและทั้งคู่ก็ยังอยู่ดีก็เลยไม่รู้สึกอะไรผิดสังเกตแม้หลังจากนั้นนะคะกลับมาบ้านได้ไม่นานชาวบ้านย่านนั้นก็จะบอกว่านาคลอดลูกตายตายทั้งกลมไปนานแล้วเขาก็ไม่เชื่อซ้ำก็ยังด่าชาวบ้านกลับพวกนั้นว่าปากเสียอยู่ๆก็ ก็มาสาปแช่งเมียของตนแล้วก็ลูกของตนก็ผ่านไล่ตะเพิดกันไปค่ะพอมากมารู้ความจริงเอาก็ตอนที่เห็นมือยาวๆของเมียยืดลอดช่องกระดานพื้นเรือนมาหยิบมะนาวที่ร่วงลงใต้ถุนเรือนนั่นเองถึงกระจ่างแจ้งด้วยตาตนเองนะคะ เมื่อรู้ความจริงสติก็กระเจิดกระเจิงค่ะด้วยความกลัวเขาก็วิ่งหนีไปอย่างไร้จุดหมายนากเสียใจกับเรื่องนี้มากแล้วก็เข้าใจว่าเป็นเพราะชาวบ้านแถวนั้นนั่นแหละที่ชอบแ่เรื่องครอบครัวตนทำให้ผัวของตัวเองหนีไปก็เลยเกลี้ยวกราดค่ะอรารวาดหลอกหลอนจนคนแถวนั้นอยู่ไม่ได้เดือดร้อนถึงเจ้าประคุณสมเด็จโตต้องมากำราบด้วยตนเองเรื่องนี้จึงสงบลงและนี่ก็เป็นตำนานที่เล่าสืบต่อกันมาแบบนี้นะคะ ตำนานผีแม่นาคเป็นเรื่องอามาตะคลาสสิกที่ทุกคนทุกวัยนะคะต้องเคยได้ผ่านหูผ่านตา ม, มาบ้างละผู้ใหญ่บางคนนะคะอาจจะเคยใช้เรื่องนี้มาเป็นกุศโลบายเล่าให้เด็กๆฟังเพื่อหลอกให้เด็กๆ เ, เข้านอนถ้าขัดขืนนะคะเดี๋ยวแม่นาคจะมาหลอกเอาคนแก่บางคนก็ใช้เล่าเตือนสติลูกหลานที่กําลังตั้งท้องให้เอาใจใส่ดูแลเรื่องอาหารการกินในระหว่างมีครรภ์รวมถึงสุขอนามัยต่างๆเมื่อถึงเวลาคลอดก็จะได้คลอดง่ายๆไม่เป็น อันตรายต่อแม่และก็ลูกค่ะตำนานเรื่องแม่นาคพระขนงนี้ก็เลยถือว่าเป็นเรื่องเล่าชวนขนหัวลุกทั้งเป็นอุทาหรณ์สอนใจให้สติในเรื่องของความรักการดูแลคันแล้วก็การทำคลอดเพื่อเตือนว่าอย่าเผลอพล่ยไม่เอาใจใส่คันทั้งในเรื่องของอาหารแล้วก็เรื่องของหมอที่จะต้องทำคลอดให้นะคะก็ต้องเลือกผู้ที่มีความชนานาญจริงๆเพื่อความปลอดภัยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ค่ะ อย่างไรก็ตามนะคะด้วยว่าในสมัยก่อน อะไรต่อมีอะไรก็ยังไม่พร้อมไม่เจริญหลายสิ่งหลายอย่างที่เห็นว่าเป็นความสะดวกสบายเรียบง่ายไม่มีอะไรยุ่งยากซับซ้อนที่เห็นกันอยู่ในทุกวันนี้ดูจะเป็นเรื่อง50 50แล้วก็แขวนอยู่บนเส้นได้ของคนในสมัยก่อนไปสมบูรเลยการคลอดลูกก็นับเป็นอีกหนึ่งความสุ่มเสี่ยงค่ะซึ่งคุณแม่ยุคโบราณก็จะต้องประสบพบเจอและก็ยังเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทําให้หญิงไทยในยุคนั้นต้องถึงแก่ความตายอยู่บ่อยครั้งแล้วก็เป็นการตายอย่างที่เรียก ว่าตายทั้งกลมค่ะตายทั้งกลมหรือว่าตายท้องกลมนะคะใช้เรียกผู้ที่เสียชีวิตขณะที่ตั้งครรภรวมถึงกรณีที่เสียชีวิตขณะคลอดลูกถือว่าเป็นการตายโหงลักษณะหนึ่งมีความเชื่อว่าวิ ญ, ญญาณที่ตายอย่างนี้จะมีความเฮี้ยนกว่าปกติเท่าทวีคูณ คำว่าตายทั้งกลมนะคะที่ชาเรียกแล้วก็รู้จักกันอยู่ในชุกวันนี้สันนิษฐานว่ามาจากคําของคำเหม็โดยเฉพาะคําว่ากลมซึ่งหมายถึงทั้งหมดนะคะเมื่อไทยยืมมาใช้คํานี้ก็เลยถูกแผลงเป็นกลมค่ะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นกลมหรือว่ากลมก็หมายถึงตายทั้งแม่ทั้งลูกนั่นเองนะคะกรณนั้นก็ยังมีหลายคนเนี่ยที่เข้าใจว่าการคลอดลูกตายอย่างเดียวเท่านั้นถึงจะเรียกว่าตายทั้งกลม แต่ว่าแท้ที่จริงแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นหญิงตั้งครรภคนนั้นจะตายเพราะอะไรก็ตามหากยังมีลูกอยู่ในท้องก็เรียกว่าตายทั้งกลมเช่นกันเสียงร่าลือเรื่องความเฮียนของวิญญาณตายทั้งกลมค่ะเล่าสืบต่อกันมาตั้งแต่โ บ, บราณจนบางเรื่องกลายเป็นตำนานในที่สุด อย่างเรื่องตำนานความรักและก็ความเฮี้ยนของแม่นาคที่ได้นํามาเล่าย่อๆไว้ตอนต้นเล่าฐานสืบต่อกันมาแบบปากต่อปากจากรุ่นสู่รุ่นบ้างถูกทําเป็นละครรีเมคแล้วหลายต่อหลายครั้งนะคะแต่ว่าความน่าสะพรึงกลัวไม่เคยจืดจางค่ะทุกวันนี้ยังมีความเชื่อว่าวิญญาณตายทั้งกลมนั้นมีความเฮี้ยนเป็นอย่างมากยิ่งถ้าใครไปรบกวนเอาบางสิ่งบางอย่างจากศพตายทั้งกลมมาทําเป็นเครื่องรางของขลังนะคะ บางคนเชื่อนะคะว่าการเอาลูกในท้องของหญิงตายทั้งกลมมาทำกุมารทองยิ่งจะเพิ่มความขลังแก่ตนเองความดุความเฮี้ยนก็ยิ่งสมเพิ่มทวีอีกหลายเท่าตัวนะคะเพราะฉะนั้นทางที่ดีอย่าไปรบกวนเขาจะดีกว่าค่ะ ปัจจุบันการตายทั้งกลมชนิดที่คลอดลูกตายนั้นคงไม่ได้เกิดขึ้นแล้วนะคะด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ก้าวหน้าไปอย่างไกลามากทำให้การคลอดเป็นไปได้อย่างปลอดภัยแต่ที่ตายด้วยสาเหตุอื่นในขณะที่ยังมีลูกอยู่ในท้องก็ยังอาจเกิดขึ้นให้เห็นอยู่ประปรายไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุหรือว่าการฆ่าตัวตายเองเช่นเรื่องที่เกิดขึ้นที่จะเล่าต่อไปนี้ในจังหวัดอ่างทองเมื่อประมาณเดือนสิงหาคม2550ค่ะ เป็นเหตุการณ์ที่ทำให้ผู้คนในละแวกนั้นต้องขนลุกสะท้านมาแล้วเรื่องเกิดขึ้นนะคะเมื่อเดือนสิงหาคมปี2550ในระหว่างที่คุณเกียรติศักดิ์กำลังง่วงนอนแล้วก็เคลิ้มอยู่นะคะจนหนังตาเกือบจะปิดสนิทก็ต้องสะดุ้งสุดตัวค่ะ เมื่อหญิงสาววัยรุ่นสันชาติลาวมานั่งกอดเข่าตัวสันอยู่ติดกับลูกกรงห้องขังที่กั้นระหว่างห้องขังชายกับห้องขังหญิงกันระหว่างเขาแล้วก็เธอค่ะท่าทางของเธอเนี่ยสันสะท้านราวกับว่าหวาดกลัวอะไรบางอย่าง แต่ไม่ทันที่คุณเกียรติศักดิ์จะปริปากถามว่าเกิดอะไรขึ้นคําตอบของคําถามก็ปรากฏออกมาเองเมื่อเสียงร่ําไห้สะอึกสะอื้นสั่นเครือค่อยๆดังขึ้นจนได้ยินชัดเจนนะคะแล้วก็ไม่ใช่เสียงของผู้หญิงคนนั้นแต่เป็นเสียงใครก็ไม่รู้ค่ะคุณเกียรติศักดิ์กวาดสายตาจนทั่วห้องขังหญิงแต่กลับไม่พบใครนอกจากดาสาวลาววัย19ที่กําลังจะถูกส่งกลับภูมิลําเนาด้วยข้อหาเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมาย คุณเกียรติศักดิ์นะคะก็ถามกับสาวลาวบอกว่าน้องได้ยินไหมสาวลาวก็ตอบกลับคุณเกียรติศักดิ์บอกว่าก็ไอเสียงนี้นี่แหละพี่ที่มันทำหนูจนขนหัวลูกนอนไม่ได้คุณดานะคะสาวลาวก็ยืนยันเหตุที่ทำให้เธอต้องประวัติพรั่นพรึงด้วยเสียงสั่นเครือ ทั้งคู่ค่ะต่างหันมองหน้ากันด้วยสีหน้าที่ซีดเผือดนะคะพลันสิ้นเสียงร่ำให้ปริศนาไปได้เพียงอึดใจค่ะเสียงสู้กระเซ็นภายในห้องน้ำห้องขังหญิงที่ดาอยู่ก็ดังขึ้นมันดังเป็นจังหวะบางครั้งก็เป็นเสียงขันตกบางครั้งก็เป็นเสียงตักจ่วงน้ำจากตุ่มเทราตราวกับว่ามีคนกำลังอาบน้า ทั้งที่ในความเป็นจริงค่ะขณะนั้นมีเพียงดาคนเดียวที่อยู่ในห้องขังหญิงแล้วก็คุณเกติศักดิ์ที่อยู่ในห้องขังชายเสียงอาบน้ำเสียงร้องไห้ดังสลับกันอยู่อย่างนั้นเป็นชั่วโมงจนที่สุดนะคะผู้ต้องขังห้องอื่นๆก็ได้ยินเสียงอันสุดสะพรึงเช่นกันค่ะ หลังจากเสี่ยงนั้นได้หลอนประสาทผู้ต้องขังมาร่วมชั่วโมงจนทุกคนทนกับความน่ากลัวต่อไปไม่ไหวจึงได้เรียกให้ตำรวจที่ดูแลห้องขังเข้ามาช่วยคลี่คลายสถานการณ์ในตอนนั้นนะคะก็คือดาบสมนึกค่ะสิบเวรผู้เจนโลกรับผิดชอบห้องควบคุมในคืนนั้นทันทีที่นายดาบก้าวเข้าไปในห้องขังทุกสิ่งกลับเป็นปกติ เสมือนว่าไม่เคยมีอะไรเกิดขึ้นเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเสียงร้องไห้เสียงอาบน้ําเสียงขันตกเสียงเคาะพื้นซึ่งก่อนนั้นดังอย่างต่อเนื่องกันมาเป็นชั่วโมงทําเอาผู้ต้องถังขันกระเจิงมาแล้วกลับนิ่งสนิทนะคะเหมือนไม่เคยมีอะไรเกิดขึ้นเลยผู้ต้องถังแต่ละคนหันมองหน้ากันด้วยความช็อกกับปรากฏการณ์หลอนชวนจับไข้หัวโกรนเมื่อดาบสมนึกถามว่าเอะอะโวยวายอะไรกันทุกคนต่างเล่าเรื่องไปในทิศทางเดียวกันถึง สิ่งที่ตัวเองเพิ่งจะได้เจอไปเมื่อสักครู่นี้นะคะหลังจากนั้นนะคะนายดาบสมนึกได้ฟังกันไปแล้วก็เลยคิดว่าพูดต้องขังเหล่านี้เนี่ยอุปทานหมู่วิตกจริตหลอนกันไปเองแล้วก็กุ้เรื่องมาหลอกตนปากพลางพูดว่าผีวิญญาณจะมีได้อย่างไรนี่มันยุคสมัยไหนกันแล้ว คล้อยหลังเพียงไม่กี่นาทีค่ะหลังจากดาบสมนึกกลับออกไปจากห้องบรรดาสปปรรพเสียงที่เคยดังก่อนหน้านี้ก็ค่อยๆดังขึ้นมาอีกคำรบหนึ่งราวกับบทโมโรงของคณะปีพาดวงใหญ่ที่คอยท่าให้แขกเรือเลือกที่นั่งให้พร้อมรับฟังรับชมการบรนเลง แต่วันนี้นะคะเป็นบทโหมโรงก็คงจะเป็นบทโหมโรงแห่งความร้อนแหะคะ่ะเพราะว่าเสียงสะอื้นสั่นเครือสลับกับขันตกเสียงอาบน้ําเสียงเคาะพื้นเคาะกําแพงหรือว่าจะเป็นการสั่นลุกกรงทําเอาทุกคนขวัญกระเจิงไปถึงไหนต่อไหนแล้วโดยเฉพาะดานะคะที่นั่งกอดเข่าสั่นเทาวาดผวาด้วยว่าแหล่งกําเนิดเสียงนั้นอยู่ในห้องขังหญิงที่เธอถูกจองจําแล้วก็เป็นเธอเพียงผู้เดียวที่อยู่ใกล้จุดเกิดเหตุที่สุด ดาบสมนึกกลับมาที่โตทํางานและนั่งดูจอโท ร, รทัศน์วงจรปิดรับสัญญาณจากกล้องภายในห้องขังก็ยังไม่พบความผิดปกติแต่ประการใดค่ะแต่สิ่งที่เห็นนะคะกลับเป็นผู้ต้องขังที่โบกมือร้องตะโกนด้วยความหวาดกลัวจําเป็นที่นายดาบท่านนี้ต้องกลับไปตรวจสอบแล้วก็รักษาความเรียบร้อยในห้องขังให้กลับมาสงบอีกครั้งนะคะ พอดาบสมนึกกลับไปถึงห้องขังบรรดาผู้ต้องขังต่างก็ขอร้องให้ย้ายพวกเขาไปขังไว้รวมกันภายในห้องขังรวมซึ่งอยู่ห่างออกไปจากห้องขังหญิงพอสมควรคิดว่าการอยู่ร่วมกันเป็นหมู่คณะน่าจะอุ่นใจกว่าการที่ต้องแยกกันอยู่แบบนี้แต่ว่าดาบสมนึกฟังแล้วก็ไม่ได้เห็นด้วยนะคะเนื่องจากว่าผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายจาเป็นต้องแยกกันอย่างนี้เพื่อความเหมาะสม อีกทั้งเหตุผลที่เหล่าผู้ต้องขังที่จะใช้เพื่อขอย้ายเนี่ยมันฟังไม่ขึ้นเพราะว่าเสียงอะไรต่อมีอะไรที่เขาได้ยินก็ไม่เห็นจะมีอย่างที่อ้างว่าแล้วดาบตำรวจท่านนี้ค่ะก็หันหลังเพื่อที่จะก้าวออกไปจากบริเวณที่คุมขังแต่ว่าไม่ทันที่ขาจะก้าวพ้นธรณีประตูนะคะพันเสียงสะอึกสะอื้นโหยหวนก็ค่อยๆดังไล่ระดับขึ้นค่ะแล้วก็ยังมีเสียงหมาหอนภายนอกสถานีตารวจมาร่วมผสมโรงด้วย บรรยากาศแบบนี้นะคะเรียกว่าเย็นยะเยือกสถานเริ่มที่จะคืบคลานเข้าไปในจิตใจของคนที่อยู่ในบริเวณนั้นอีกครั้งแม้กระทั่งนายดาบผู้พดุงความสงบก็ถึงกับนิ่งเงียบตะลึงงนันหลังจากที่ได้ยินเสียงเมื่อสักครู่นี้นะคะ ในขณะที่เสียงนั้นดังขึ้นเรื่อยๆดาบสมนึกกับเหล่าผู้ต้องขังต่างก็สบตากันแต่ว่าไม่มีคำพูดอะไรหลุดออกมาจากใครเลยดาบสมนึกปลดกุญแจห้องขังที่แขวนอยู่ข้างเอวเอามาไขาผู้ต้องขังทุกคนให้ย้ายไปอยู่รวมกันในห้องที่ห่างออกไประหว่างที่กําลังย้ายห้องนะคะหนึ่งในผู้ต้องขังก็กระซิบดาบสมนึกข่าบอกว่าพี่ได้ยินใช่ไหมนายดาบผู้เจนโลกส่งเสียงในลาคอเบาๆบอกว่าอืม โดยที่ไม่ต้องพูดอะไรให้มากความค่ะผู้ถามก็รู้ได้ด้วยในนะคะว่าโดนเข้าแล้ว คืนนั้นทั้งตำรวจและผู้ต้องขังต่างเผชิญความหวดาดผวาร่วมกันจนถึงเช้ากันเลยทีเดียวหลังจากเหตุการณ์ที่คืนหลอนวันนั้นนะคะได้ผ่านไปคําเล่าลือเรื่องวิญญาณบนโรงพักเองนะคะก็แพร่กระจายไปอย่างรวดเร็วเกิดเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันอย่างกว้างขวางและก็เป็นธรรมดาค่ะที่จะมีทั้งคนเชื่อและไม่เชื่อเพราะไม่มีใครสามารถที่จะรู้ว่าเกิดจากอะไรและมันเป็นเรื่องยากหากจะพิสูจน์หาความจริงแต่ว่าค่ะ หลายชั่วโมงก่อนหน้าเหตุการณ์ในคลืนหลอนที่จะเกิดขึ้นเบนจมาดนะคะสาวใหญ่วัย42ปีผู้ต้องหาค้ายาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งเพิ่งจะทำอัตตะวินิบาตกรรมด้วยการใช้ผ้าถุงแขวนคอตัวเองไปด้วยการฆ่าตัวตายของเบนจมาดท้งเจ้าหน้าที่บนโรงพักและผู้ต้องขังต่างรู้ดีด่าเองนะคะก็เป็นคนหนึ่งที่รับรู้เรื่องนี้เพราะทั้งคู่ถูกขังในห้องเดียวกันนั่นเองค่ะ หลังจากที่มีใครต่อใครต่างเจอกับความเฮี้ยนของวิญญาณเบญจมาศบรรดาญาติญาติของเธอก็ได้นิมนต์พระสงฆ์มาทําพิธีเรียกวิญญาณทั้งมีการเจริญพระพุทธมนต์ปัดรังควานทั่วทั้งโรงพักใกลคนหนึ่งซึ่งอยู่ร่วมในพิธีครั้งนั้นก็เลยตั้งข้อสังเกตว่าทําไมเพียงวิญญาณผูกคอตายเหตุใดจึงเฮี้ยนนัก อโงนาฏนะคะน้องสาวของผู้ตายแล้วก็เป็นผู้ขออนุญาตเจ้าหน้าที่นิมนต์พระสงฆ์มาทําพิธีดังกล่าวจึงฉเฉลยบอกว่าพี่สาวของเธอไม่ได้แค่ผูกคอตายแต่ขณะนั้นพี่สาวของเธอกําลังตั้งท้องได้3เดือนพอทุกคนได้ยินเช่นนั้นก็ถึงกับตกใจแล้วก็เข้าใจได้ทันทีถึงมูลเหตุกับเรื่องนี้นะคะที่เกิดขึ้นความเฮี้ยนอันเกิดจากกรรมก็เลย ถมเป็นทวีตามคำพูดและก็ความเชื่อของคนโบราณที่ว่าในบรรดาวิญญาณผีตายท้องกลมนีเ่เฮียนที่สุด อีกเรื่องหนึ่งนะคะที่เกิดขึ้นที่จังหวัดอ่างทองเช่นเดียวกันค่ะที่อำเภอวิเศษชัยชาญเมื่อปี2555เวลาประมาณตีหนึ่งนะคะหลังจากที่ขมักขเม่นกับการตราเตรียมอุปกรณ์ที่จะใช้ในการประกอบพิธีกรรมแล้วเสร็จลุงสนมชายชราวัย67ปีก็พร้อมกับการเดินทางจากศูนย์กู้ภัยเพื่อไปรับศพจุทารัฐที่เสียชีวิตเพราะอุบัติเหตุทางถนนในขณะที่มีคันได้5เดือนมาทาพิธีผ่าท้อง ก่อนเผาค่ะก็เชื่อกันนะคะว่าวิญญาณผีตายหงนั้นจะมีความเฮียนมากจึงไม่สามารถที่จะประกอบพิธีกรรมทางาศาสนาเพื่อบำเพ็ญกุศลงานศพได้ตามปกติเช่นการตายโดยทั่วไปหากจะเผาศพผีตายท้องกลมจําเป็นต้องทำการผ่าท้องนะคะเพื่อนำาทารกออกมาซะก่อนจึงจะเผาได้เพราะว่ากรณีตายท้องกลมนั้นจะนับเป็นสองศพนะคะ การผ่าท้องก็ว่าไม่เกี่ยวข้องกับการแพทย์แต่ประการใดค่ะเพราะผู้ที่จะทําหน้าที่ผ่านั้นต้องเป็นสัพเพเหรหรือผู้สัรทัดกรณีด้านส่เวทเท่านั้นญาติผู้ตายหมอหรือใครก็ไม่สามารถจะทําได้หากฝ่าฝืนดึงดันทําลงไปอาจจะมีเหตุไม่คาดคิดเกิดขึ้นดังนั้นนะคะมักจะเป็นเรื่องร้าย เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่วัดเกษาทองค่ะซึ่งเป็นที่ตั้งศพของจุธารัตเพื่อบำเพ็ญกุศลมีหมู่บ้านร่วมร้อยหลังคาเรือนอยู่ใกล้ๆแต่กลับไม่มีผู้ที่ยินยอมมาร่วมงานบำเพ็ญกุศลเลยจะมีก็แต่เพียงญาติของเธอเท่านั้นไม่มีแขกเรืออื่นเพราะทุกคนต่างหวาดกลัวกันไปหมดแล้ว เหตุที่ลุงสนมต้องเดินทางมารับศพที่นี่ด้วยตัวเองเพื่อไปผ่าศูนย์ไปผ่าที่ศูนย์กู้ภัยนะคะก็เพราะว่าไม่มีใครกล้ายุ่งเกี่ยวด้วยแม้กระทั่งพระสงฆ์ภายในวัดก็ยังสั่งห้ามไม่ให้เผาศพที่เมนของวัดเพราะว่ากลัวนะคะว่าวิญ ญ, ญาณจะมาราังควานพระในวัดแล้วก็ชาวบ้านจึงจาเป็นต้องพึ่งพิงอดีตสัปเหอจอมขมังเวท ซึ่งบัดนี้ผันตัวเองไปเป็นอาสากู้ภัยอย่างคุณลุงสนมค่ะแล้วก็เคยผ่าศพผีตายท้องกลมมาแล้วนับไม่ถ้วนมาเป็นคนรับช่วงทําพิธีแล้วก็สาสางปัญหานี้ต่อไป ก่อนเรียกลุงสนมให้ไปรับศพนั้นนะคะมีเสียงลือจากชาวบ้านในละแวกนั้นว่ามีคนพบเห็นวิญญาณของจุทารัตน์เดินวนเวียนไปมาบริเวณที่เกิดอุบัติเหตุแล้วก็บริเวณวัดนะคะซึ่งคำเล่าลือนี่เองค่ะเป็นมูลเหตุสำคัญทำให้ชาวบ้านเชื่อว่าจุทารัตน์ เป็นวิญญาณที่มีความเฮี้ยนจนไม่มีใครอยากมาร่วมงานศพทั้งยังไม่ยอมให้ประกอบพิธีกรรมใดๆที่เกี่ยวกับศพนี้ภายในวัดด้วยเมื่อนําศพของจุธารัตน์มาถึงที่ทําการศูนย์กู้ภัยแล้วลุงสนมก็ทําพิธีกราบไหว้บูชาครูอาจารย์ที่เคยประสิทธิ์ประศาสต์วิทยาคมให้พร้อมกันนั้นนะคะก็นําน้ําสะอาดใส่ขันมาบริกรรมคาถาเสคให้เป็นน้ำมนต์เพื่อใช้ในพิธีกรรม จากนั้นก็ขอขมาศพแล้วก็บริกรรมอาคมปลุกเสกมีดหมอประจําตัวแล้วก็จรดคมมีดบรรจงกรีดเปิดหน้าท้องเพื่อนำศพทารกน้อยออกมาหลังจากนั้นก็เย็บปิดปากแผลแล้วก็รอประกอบพิธีกรรมชาปนากิจเป็นขั้นตอนต่อไปค่ะทารกน้อยผู้สิ้นบุญก่อนได้มีโอกาสลืมตาดูโลกเป็นเพศชายความยาวจากหัวถึงเท้าวัดได้สิเซนติเมตรน้าหนักตัวเกือบครึ่งกิโลกรัมสภาพร่างกายยังคงสมบูรณ์ ภาพที่เห็นสร้างความสะเทือนใจจนละลายอาการหวาดกลัวที่ทุกคนมีก่อนหน้านี้ให้สิ้นซาก ผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ครั้งนี้ที่ศูนย์กู้ภยัยจึงได้บอกกล่าวแก่จุธารัตน์ว่าเธอได้ลูกชายและช่วยกันตั้งชื่อให้เด็กน้อยนั้นว่าน้องอุทิตค่ะจากนั้นทางญาติแล้วก็เจ้าหน้าที่มูนลนิธินะคะก็ได้จัดงานประกอบพิธีทางาศาสนาและอุทิศส่วนกุศลให้กับเธอและลูกน้อยได้ไปสู่ภพภูมิที่ดีต่อไปนับตั้งแต่นั้นมานะคะก็ไม่มีใครปรากฏว่าได้ยินเสียงอ่า ร้องไห้หรือว่าเป็นวิญญาณของคุณจุทารัตน์เดินให้เห็นอีกเลยนะคะหลายอย่างเกี่ยวกับวิญญาณผีตายท้องกลมค่ะเป็นเรื่องหน้าพิศวงชวนสยองไร้คำตอบที่มา เหตุผลและคำอธิบายใดๆหากจะใช้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์มาล้อมกรอบก็คง่าเปล่าประโยชน์นะคะเพราะว่าเรื่องนี้อยู่เหนือวิทยาการสมัยใหม่จะอย่างถึงมันเป็นวิถีแห่งจิตวิญญาณศาสนาและเป็นความเชื่อจำเพาะบุคคลและส่วนตัวล้วนๆแต่ก็ใช่นะคะว่าจะเป็นความเชื่อที่หยุดอยู่กับคนกลุ่มเดียวแต่ประการใดทว่าเป็นความเชื่อที่อย่างรากลงไปในกระแสสานึกของผู้ที่นับถือศาสนาพุทธแล้วก็เชื่อเรื่องบาปบุญ คุณโทษเรื่องของวิญญาณและชีวิตหลังความตายเกือบทุกผู้ทุกนามมาตั้งแต่สมัยดึกดำบันดังนั้นนะคะสมัยก่อนเมื่อเห็นว่ามีคนท้องก็มักจะแนะนำให้ทำบุญอย่างหนักแม้ปกติคนยุคนั้นจะเป็นคนเข้าวัดเข้าวาถือปฏิบัติเป็นนิดกันอยู่แล้วก็ตามในบางรายถึงกับถือศีล5สศีล8อย่างเคร่งครัดไปจนถึงวันคลอดเลยล่ะค่ะเพื่อป้องกันอันตรายต่างๆมารบกวนแม่แล้วก็เด็กที่กาลังจะเกิด และก็เชื่อกันนะคะว่า การตายทั้งกลมเป็นเรื่องกรรมที่แม่ลูกได้สร้างร่วมกันมาเพียงแต่ว่ากรรมดีที่จะเป็นตัวหนุนนำให้ได้มาเกิดเป็นแม่ลูกกันนั้นยังไม่พอที่จะดดนบันดาลให้สำเร็จลงได้ซ้ากรรมร้ายก็ยังคงแสดงผลให้ทั้งคู่ต้องพลากจากกันทางที่ยังไม่ทันได้เห็นหน้ากันนี่จึงเป็นที่มาของคำบอกเล่าแล้วก็ย้าเตือนให้คนที่จะมีลูกและอยู่ระหว่างตั้งครรพึงรักษาศีลผูกดวงไว้จะได้ไม่มีภัย ได้ๆมาแพ้วผ่านนั้นเองค่ะก็ลงหลัก